จเจริญพรท่านเพื่อมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์<อ>ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทำลายไล้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาสมบัติอันล้ำค่า สมบัติอนำค่าก็คือพระรัตนาตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะคำว่ารัตนะก็แปลว่าเพชรนินจินดานี่ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าราคาเท่ากับพระรัตนาตรเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณค่า ของพระรัตนตรัยแล้วเหมือนกับฟ้ากับดินเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเพชรเนนจินดากับพระรัตนตรัยนี้ห่างไกลกันเหมือนฟ้ากับดินเพชเนินจินดาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราว เป็นการบำบัดความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถทำให้เรามีความสุขไปยอย่างตลอดไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้อย่างถาวรเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ไม่มีวันตายร่างกายนี้พอตายไปแล้ว เพชรนินจินดาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆในโลกนี้เราก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาใจเรามีความทุกข์เราก็จะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ไม่มีอะไรมาให้ความสุขกับเราให้ได้แต่เฉพาะเวลาที่เรามีร่างกายอย่างเช่นตอนนี้ถ้าพวกเราได้เพชรมา การสักกรรมนั่นนี่พวกเราคงจะมีความสุขะจะไม่ต้องมีความทุกข์กับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เหนื่อยยากเพราะถ้ามีเพชรอยู่สักกรรมมือ น, นี่เป็นเงินหลายร้อยล้านสามารถที่จะเอาไปซื้อข้าวของสิ่งจําเป็นต่างๆมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและสามารถไปซื้อความสุขต่างๆ ตาหูจมูกนิ้งกายได้พวกเราจึงักเห็นคุณค่าของเพชรนินจินดาสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเห็นคุณค่าของพระรัตนไตรที่เป็นที่ที่เป็นเพชรที่แท้จริงที่เป็นเพชรที่จะให้ความสุขกับเราได้นานกว่าร่างกายของเรา mm. นานกว่าชีวิตของร่างกายของพวกเราร่างกายของเราตายไปแล้ว แต่ใจคือพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราไม่มีพระรัตนตรยเป็นสมบัติเราก็จะไปเป็นขอทานแทนเราก็จะอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบอดยากขาดแคลนทั้งๆที่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราอยู่อย่างมหาเศรษฐีมีเพชรมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในพระรัตนตรยัย เราก็จะไม่สะสมไม่สร้างพระรัตนตรัที่เป็นทรัพสมบัติอันประเสริฐให้กับเราพอร่างกายตายไปเราก็จะไม่มีสมบัติติดตัวไปแต่สมบัติคือพระรัตนตรัยนี้เป็นทรัพย์ภายในที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้เป็นทรัพย์ภายในที่จะให้ความสุขกับใจเราไปตลอด เป็นทรัพภายในที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้อย่างถาวร น, นี่คือคุณค่าของพระรัตนตรัยกับคุณค่าของเพชนินนจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราจึงอยากเป็นพวกไก่ได้พลอยได้เพชรได้พระรัตนตรยัยแต่เขี่ยทิ้งไป จะไปหาพวกไส้เดือนมากินไก่มันไม่รู้คุณค่าของพะราตนาไัยไก่มันไม่รู้จกคุณค่าของเพชรพลอยเวลามันขุดคุยเขี่ยหาอาหารถ้ามันเจอเพชรพลอยมันก็จะเขียทิ้งมันก็คิดว่าเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ามันกินไม่ได้เอาไปมันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ถ้าเป็นตัวนอนตัวไส้เดือนนี่มันคว้ามากเลยมันจะค้าใส่เข้าปากเลย เพราะเป็นอาหารพวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยเราก็จะไม่สนใจที่จะเข้าหาพระรัตนตรัยกันเราก็จะไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนของพวกเราคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตัวหนอนตัวไส้เดือน ที่พวกเรากินได้กินแล้วก็มีความสุขกันแต่มันไม่สามารถที่จะให้ความสุขเราไปอย่างถาวรเท่านั้นเวลาที่มันไม่มีนี่ความสุขที่เราได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้อยู่ภายใต้กฎอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวร มีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเหมือนกับไก่ที่มองไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยว่าเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นสมบัติที่ไม่มีวันเสือ่อมเหมือนกับลาบยศสรรเสริญเหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าลาบยศสรรเสริญยิ่งกว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเรากําลังคุยเคียหากันเหมือนกับคุยเคียหาตัวหนอนตัวไส้เนืออแทนที่จะไปคุยเคายหาเพชรคือพระรัตนตรัย พอเจอเพชคือพระรัตนตรัยก็เขี่ยทิ้งไปไม่มาวัดไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรามาวัดพวกเราก็จะได้ยินเรื่องของพระรัตนตรัยเราจะได้ยินถึงความประเสริฐเลื่อนโลกของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวุ เพราะท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ต่างกับพวกเราที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ตา่างๆทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีราบยศ ส, สรรเสิญมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ความทุกข์มันก็ยังไม่หนีจากเราไปยังไม่หายจากเราไปมันยังมาก่อ ความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆและจะก่อไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเราไม่มีพระรัตนตรัยมากําจัดมันมีพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ที่เรายังมีอยู่ภายในใจได้อยู่ความทุกข์ของพวกเราตอนนี้ก็คืออะไรทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์กับความตายทุกข์กับความสูญเสียการพลาดพลาดจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีการพลาดพลากจากคนแต่เราไม่สามารถทำใจให้เราไม่ทุกข์ได้เวลาเห็นคนที่เรารักจากเราไป เราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร <Yeah. S 2> <his> ้องไห้เวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่มีพระรัตนตรัยมาช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญให้มากจนเกินไป หาได้แต่หาให้พอประมาณพอที่จะทำให้ร่างกายของเราอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนคือให้หาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่หงห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยมาเลี้ยงดูร่างกายพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหันมาหา พลัดตาน่าตายกันพรถ้าเพราะถ้าเรามีปัจจัยสี่มากเกินความต้องการของร่างกายมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร mm. เช่นมีเสื้อผ้าอยู่ร้อยชุดอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์มากกว่าเสื้อผ้าสองสามชุดเพราะร่างกายนี้เวลาใส่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทั้งละชุดเท่นั้นเองถ้าเรามีสามชุดนี้เราก็พอละชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซัก ชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อซักแล้วไม่แห้งก็มีสำรองใส่เนมีสามชุดนี้เราก็พอเพียงแล้วกับเครื่องนุ่งห่มของร่างกายไม่จําเป็นต้องมีเป็นร้อยชุดมีและไม่จําเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆมีชื่อของบริษัทติดป้ายไว้ว่าเป็นชื่อของเจ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเสียเงินไปเปล่า ถูกเขาหลอกโง่ซื้อเสื้อผ้าถูกถูกใส่ไม่เอากันเพราะกลัวอับอายขายหน้าเดี๋ยวคนอื่นเขาทักเอายี่ห้ออะไรไม่มียี่ห้อมาจากจัตุจักนก็เลยแหม่น้อยหน้าเขาเราอย่าไปน้อยหน้าเสื้อผ้านี้มันไม่ได้ทำให้คนเราวิเศษหรอกความวิเศษก็คือความฉลาดที่รู้จักคุณค่าของสิ่งต่าง รู้จักประโยชน์ของสิ่งต่างๆและใช้มันไปตามตามคุณค่าตามประโยชน์ไม่ใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่ใช้แบบรหรูหราเพราะจะทําให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาพวกเราที่ไม่มีเวลาเข้าหาเพชที่แท้จริงเข้าหาพระรัตนตรัยก็เพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราไปหาของที่ไม่มีคุณค่าต่างๆ เช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านี่หากันอยู่เรื่อยไปเดินห้างทีไรเห็นก็อยากซื้ออยากได้กันเท้าก็มีคู่เดียวแต่รองเท้ามีเป็นสิบคู่เวลาใส่มันใส่ทีละสิคู่ได้หรือเปล่าจะได้ไปอวดเขาว่าฉันมีรองเท้าเยอะเวลาใส่มันก็ใส่คู่เดียวเวลาเสื้อผ้าสวมใส่ก็ใส่ชุดเดียวทําไมต้องมีเป็นร้อยชุดทําไมทําไมต้องมีรองเท้าเป็นร้อยคู่ทําไม โน้หรฉลาะเสียเงินเสียทองไปป่าๆปเสียเวลาไปหาเงินหาทองแทนที่จะเอาเวลามาหาพระรัตนตไตรที่เป็นเพชแท้ที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราให้หมดไปได้ถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราจะถูกความหลง เรอให้เราไปหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเวลาเจอเพชรเจอปลอยก็เขียดทิ้งเขียดทิ้งไปเขียทิ้งก็คือไม่มาวัดนั่นเองไม่มีเวลามาวัดกันเพราะจะต้องไปหาเงินกันพอได้เงินก็ไม่มีเวลาเพราะต้องเอาเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของกันเวลามาวัดจึงมีเวลาน้อยมากมามาเพราะว่าบางทีเป็นวันเกิด บางทีเป็นวันตายบางทีเป็นวันเทศกาลถ้าเข้าวัดแบบนี้มันจะไม่พอเวลาจะไม่พอกอบโกยพระรัตนนาจัยการที่จะกอบโกยพระรัตนตรนัยนี้ให้ได้อย่างเต็มที่นี้ต้องมาอยู่วัดเลยถึงจะกอบโกยได้เต็มที่อย่างพวกที่มาอยู่วัดมาบวชกันนี่แหละพวกนี้เขาไม่ใช่เป็นพวกไก่ได้พลอยเขารู้ว่า พลอยนี้มีคุณค่าพระรัตนตรัยนี้มีคุณค่าเขาจึงสละตัวหนอนตัวไส้เดือนเลิกหาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าเลิกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเอาเวลามาหาเพชหาพลอยที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราดีกว่าด้วยการมาบวชเป็นพระบวชเป็นชีกันแล้วจะได้มีเวลาขุดเพชขุดปลอย ได้อย่างเต็มที่เลยถ้าเรามีเวลาขุดเพชรขุดพลอยได้อย่างเต็มที่ไม่นานเราก็สามารถที่จะได้อริยทรัพย์ขั้นต่างๆอริยทรัพย์มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีขั้นอราหารันทรัพย์เหล่านี้แหละที่จะทําให้เรามีความสุขใจมากขึ้นไปตามลําดับและมีความทุกข์ใจน้อยลงไปตามลําดับ จนถึงไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขใจไปตลอดเวลาแล้วไม่ว่าเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่ดูดร้อนเราจะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเพราะเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับเรา ที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้เวลากันให้เวลามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันดีกว่ามาขุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาขุดพระรัตนไตรเพราะเป็นทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่จะเราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วทรัพย์ภายนอกเช่นสมบัติเข้าของเงินทองนี้เวลาร่างกายตายไปเราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในไปก็เราก็จะไปเป็นแบบขอทานที่เราต้องมาทำบุญกวดน้ำให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเรากังวลเราห่วงเรากลัวว่าเขาจะเป็นขอทาน เพราะว่าเขาไม่มีบุญติดตัวไปเราเลยต้องมาทำบุญกันแล้วก็แบ่งปันบุญที่เราได้นี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่บุญที่เราอุทิศไปนี้เป็นบุญส่วนย่อยน้อยมากเป็นเพียงเซี้ยวเดียวของบุญที่เราทำกันเพราะไม่สามารถส่งไปได้มากกว่านี้เช่นเราทำร้อยเนี่ยนี้อาจจะส่งไปได้เพียงบาทเดียวดังนั้น เราอย่ามาหวังให้คนอื่นเข้ามาส่งบุญให้เราเลยตอนนี้เรามีเวลาเรารีบมาสะสมบุญกันดีกว่าสะสมพรระตัตนาตัยกันดีกว่าการสะสมพรระตัตนาตายก็คือการทำบุญนี่เองทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำบุญให้เรารักษาสิ่งให้เราภาวนากันอันนี้จะเป็นวิธีขุดขุดพตัตตนาตายัย ให้เข้ามาสู่ภายในใจของเราพอเรามีพระรัตนไตรัยเต็มหัวใจแนละ้วพระรัตนไตรัยก็จะให้ความสุขของเราเต็มหัวใจจะไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของพวกเราได้เลยพระพุทธเจ้าพระอราาาาันตสาวกนี่ท่านไม่มีคำว่าทุกข์อยู่ในใจเลยใจของท่านนี่มีแต่ป a มังสุขขัง มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับใจของพวกเราเนที่มีความทุกข์บ้างความสุขบ้างส่วนใหญ่ก็จะทุกข์กันเสียมากกว่าสุขเพราะว่าเราไม่มีพระรัตนใจนั่นเองแต่ถ้าเรามาสร้างพระรัตนใจขึ้นมาใส่เข้ามาในใจของเราต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ อยู่ในใจของเราเลยนี่คือคุณค่าของวัธนธรรมใที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะมอบให้กับเราได้คือให้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในหัวใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้อยู่ที่การเข้าหาพระรัตนตรัยอยู่ที่การศึกษาการฟังเทศฟังธรรม เมื่อฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการขุดพระรัตนตรยนี้ขุดอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ไปขุดกันขุดด้วยการทำบุญทําทานขุดด้วยการรักษาศีลขุดด้วยการภาวนาทําทานเราก็ทำจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนถ้าทําแล้ว เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่เราได้รับจากการทําทานเราก็อยากจะทํามากขึ้นไปเวลาเราทําทานใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิใจมีความเบาใจสบายใจความอยากที่จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านี่มันจะน้อยลงไปความอยากที่จะไปซื้อของไม่จําเป็นต่างๆนี้มันจะน้อยลงไปความอยากที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ ต่างๆก็ serpent, จะน้อยลงไปแล้วเราก็จะมีเงินเหลือมาทำบุญมากขึ้นเพราะเราจะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวกันไม่ได้เอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นกันเราก็จะอยากจะทำบุญมากขึ้นพอเรามีเงินมากขึ้นเราก็มาทำกันมากขึ้นพอยิ่งทำมากก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นความอยากเที่ยวอยากใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ น, น้อยลง ทำ่เราไม่ต้องไปดิ้ น, นรนทำมาหากินแบบปากกัดตีนถีบเราจะหาแบบสบายสบายหาแบบที่ไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปช่อโกงพอเราไม่ไปทำบาป ก, ก็จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกเราสามารถรักษาศีน่าได้แล้วถ้าเรารักษาสีแปได้ก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปอีก ก็เราจะได้มีเวลามาทำกิจกรรมคือมาทำใจให้สงบที่เป็นวิธีให้ความสุขอย่า ง, างเต็มร้อยการทำทานนี้ให้ได้เพียงบางส่วนการรักษาศีลให้ได้บางส่วนแต่ถ้าอยากจะให้ความสุขเต็มหัวใจนี้ต้องมาภาวนากันต้องมานั่งสมาธิกันต้องมาเจริญปัญญากัน ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถสร้างความสุขให้มีเต็มเปลี่ยนไปในหัวใจของเราเลยสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราแต่เรากลับไม่เดือดร้อนเรากลับมีความสุขมากกว่า การมีราะลาภยศสรรเสริญการมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ า, าะลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันทําให้เราทุกข์ได้ความสุขที่ได้จากมันมันหมดได้มันเสื่อมได้เวลาเงินหมดนี่สุขหรือทุกข์กันเวลาถูกปลดออกจากตําแหน่งนี่สุขหรือทุกข์กันเวลาถูกเขาดา่าแทนที่เขาจะสรรเสริญเขาดา่าเราเราจะรู้สึกอย่างไร นี่คือความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทำทานรักษาสีภาวนาจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปและเราสามารถเอาติดตัวไปได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขนี้แหละที่จะพาให้เราไปพระนิพพานกัน ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าได้ไปอยู่กับพระอาหารหันตสาวกกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถส่งให้เราไปถึงพระนิพพานได้นอกจากการทําทานรักษาศีลและภาวนานี้เท่านั้นจึงขอให้พวกเรามาขุดพระรัตนไตรัยกันดีกว่ามาขุดเพชรเพชรแท้กันดีกว่าอย่าไปขุดเพ ช, ชปรปลอมเพชรที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้น ถ้าเราเชื่อแลเราปฏิบัติตามรอบรองได้ว่าภายในชาตินี้เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอาหารหันตสาวกทั้งๆที่ท่านตายจากเราไปนานแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระอาหารหันตสาวกที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ภายในใจของเรานี่แหละอยู่ในใจของเราเวลาที่เราได้ขุดพระรัตะนาตายขึ้นมาใส่ใจของเรา เราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้หรือไม่จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระรัตนตรายนี้จะให้ความสุขกับเราอย่างถาวรได้หรือไม่ขอให้เราปฏิบัติเถิดขอให้เราพิสูจน์เถิดของนี้พิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นของให้เชื่อเฉยๆ ความเชื่อเฉยๆไม่สามารถทำให้เราได้ผลจากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้การที่เราจะได้ผลนี่เราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติแต่เราต้องอาศัยความเชื่อในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตา่างเหมือนกับถ้าเราไปหาหมอแล้วเราไม่เชื่อหมอหมอให้ยาเรามารับประทานเราก็จะไม่รับประทาน เพราะกลัวว่ารับประทานแล้วจะตายแทนที่จะหายแต่ที่เรารับประทานยาที่เรารับมาจากหมอก็เพราะว่าเราเชื่อว่าหมอให้ยามารักษาโรคภยัยไค่เจยบไม่ได้เป็นยามาให้ฆ่าตัวตายแล้วพอเรารับประทานเราก็จะพิสูจน์ได้ว่ายาที่หมอให้เรามานี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็นได้หรือไม่ถ้าเราไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ ถึงแม้เราจะเชื่อแต่เราไม่กล้ารับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้รักษาโรคได้หรือไม่ฉันใดในเบื้องต้นเราก็ต้องเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของเราให้หมดไปได้เมื่อเราเชื่อแล้วพอเรารับยามาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือคําสั่งคําสอนให้พวกเราทําทานรักษาศีลภาวนา ถ้าเราเชื่อเฉยๆแต่เราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วว่า พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งของเราได้สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เราก็ต้องปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะรู้เองว่าเป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆหรือไม่ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือไม่ให้ความสุขอย่างถาวร กับใจของเราได้หรือไม่ต้องพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติเหมือนกับการพิสูจน์ด้วยการกินยาของหมอถ้าเราพิสูจน์แล้วเราก็จะหายสงสัยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่จะมารับรองว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงแล้วเราสามารถบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะเราได้สัมผัสแล้วกับความประเสริฐอันเลิศโลกนี้คือความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้จึงขอให้พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อแล้วเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาคำสอนที่ท่านสอนให้เราปฏิบัตินี้นาเอาไปปฏิบัติกันแล้วพอเราปฏิบัติแล้ว ผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและมุนกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนณสุขภาละ โดยทั่วหน้ากันเธอ